สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทะกรกับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับเรื่องราวที่ผมจะเล่านี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นการพบเห็นหรือสัมผัสกับวิญญาณในอีกรูปแบบหนึ่งความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้รวมถึงความเชื่อและเรื่องที่เหลือเชื่อซึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังจะใช้วิจารณญาณกันดูนะครับและเหตุผลที่แท้จริงของมิติวิญญาณที่อยู่สลับซับซ้อนกับโลกมนุษย์นั้นเป็นเช่นไรจริงหรือไม่ แต่หากเรื่องราวของมิยานเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงทำไมจึงมีคนมากมายได้พบกับสิ่งเหล่านี้หลายต่อหลายครั้งเรื่องราวแปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นกับคุณเอกครับคุณเอกได้เล่าให้ผมฟังว่าโดยส่วนตัวของคุณเอกนั้นเป็นคนที่เชื่อและกลัวในเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กเอกบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรจึงมักไม่กล้ายอยู่คนเดียวจิตใจส่วนลึกมักจะคอยเตือนให้รู้สึกหวาดระแวงอยู่เรื่อยๆว่า ระวังจะเจ อ, อผีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบ้านของเอกในระหว่างที่ครอบครัวของเขาเข้าไปเช่าอยู่เมื่อราวสิบปีที่ผ่านมานั้นมันยิ่งทำให้เอกมีความรู้สึกสยองขวัญหวาดกลัวได้มากกว่าทุกแห่งที่เคยอยู่มาตั้งแต่เด็กจนโตบ้านหลังนี้อยู่ในซอยวัดไผ่เหลืองตำบลบางรักใหญ่นนทบุรีบ้านหลังที่ว่านี้เป็นบ้านไม้สองชั้นปลูกอยู่ท่ามกลางสวนร่มคล้ม สงบร่มรื่นน่าอยู่มากในช่วงเวลากลางวันจะดูร่มรื่นดีแต่พอตกดึกความสุนทรีทั้งหมดก็เป็นอันต้องหายไปหมดเลยมันจะถูกบทบังด้วยบรรยากาศอันน่าสะพึงกลัวเข้ามาแทนที่อย่างสิ้นเชิงเพราะเป็นบ้านหลังเดียวที่ปลูกอยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นประมาณสองกิโลเมตรและห่างจากถนนสายหลักค่อนข้างลึกและเปลี่ยวเอกไม่รู้มาก่อนว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังของบ้านหลังนี้เป็นมาอย่างไง ร, รู้แต่เพียงว่า ครอบครัวของเขาไม่ใช่ครอบครัวแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่แต่ด้วยสำ น, นึกส่วนตัวของเอกมันบอกให้รู้เลยว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่และสิ่งที่เอกหวาดวั่นระแวงมันก็มีจริงๆคืนหนึ่งในขณะที่ทุกคนในบ้านกําลังนอนหลับกันอยู่เอกต้องมาสะดุ้งตื่นตกใจอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงคนมาเรียกชื่อของน้องสาวของเอกเสียงนั้นดังมาจากข้างหน้าบ้านเป็นเสียงของผู้ชายที่ฟังดูแหบโหย แต่ก็แฝงไปด้วยความเยือกเย็นและโหยหวัวยยังบอกไม่ถูกตอนแรกเอกคิดว่าน้องสาวก็น่าจะได้ยินเสียงนั้นเหมือนกันเอกจึงลุกขึ้นมานั่งและชะโงกหน้ามองไปตรงที่นอนของน้องสาวเพราะตอนนั้นเอกและน้องสาวอีกสองคนยังนอนอยู่รวมกันอยู่ในห้องเดียวกันเอกก็เห็นว่าแกก็ยังนอนหลับอยู่สบายเหมือนว่าไม่ได้ยินเสียงเรียกนั้นเลย ท, ทั้งที่เสียงนั้นมันก็ดังอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่ไม่คุ้นหู ทมให้เอกต้องรู้สึกขนลุกขนเกียวตลอดเวลาเอกได้เอื้อมมือไปส ก, กิดให้น้องสาวตื่นแต่ทั้งส ก, กิดทั้งเขยา่ายังไงแกก็ไม่ตื่นจนกระทั่งเสียงเรียกนั้นค่อยๆเงียบหายไปพอเช้าวันต่อมาเอกก็ถามน้องสาวว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนมาเรียกหรือเปล่าแกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยนอนสบายอย่างเดียวไม่เห็นได้ยินอะไรเลยเสียงร้องเรียกที่เอกได้ยินนี้มันดังติดต่อถึงสามคืนเลยทีเดียว แต่แปลกมากที่มีเพียงเอกคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินเสียงเรียกของผู้ชายซึ่งเป็นเจ้าของเสียงแหบหวยอันเยือกเย็นนั้นทุกครั้งที่เอกได้ยินเสียงของชายคนนั้นก็มักจะได้ยินแค่เพียงเสียงเรียกชื่อว่าดาวดาวซึ่งเป็นชื่อเล่นของน้องสาวไม่มีคําพูดอื่นหรือประโยคอื่นให้ได้ยินเลยและที่แปลกอีกอย่างก็คือขณะที่เอกได้ยินเสียงชื่อน้องสาวนั้น ก็มักจะได้ยินเสียงแมวร้องคล้ายๆกับว่ามันกาลังคอเคลียอยู่กับใครบางคนในยามวิการหรือบางครั้งก็ได้ยินคล้ายๆเสียงสิ่งของหนักๆมาตกลงสู่พื้นแม้กระดานที่ปูเป็นพื้นตรงหน้าชานบ้านเสียงร้องเรียกชื่อของน้งสาวมาจากอาันรตุกะยามวิการที่เอกได้ยินนั้นไม่มีใครในครอบครัวให้ความสนใจกับคําบอกเล่าของเอก เ, เลยแม้แต่ น, นิดเดียวทุกคนต่างหาว่าเอกหูฝาดประสาท ต, ตึงเครียด เพ้อเจอจนทําให้คิดไปเองหรือได้ยินไปเองหรือไม่ก็ฝันไปจึงไม่มีใครใส่ใจเรื่องเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งคราวที่ทําให้เอกต้องตกอยู่ในสภาวะขวัญผวามากที่สุดนั่นก็คือคืนคืนหนึ่งที่เอกมีความรู้สึกไม่ค่อยดีมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวปวดหัวคล้ายๆจะเป็นไข้ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุเอกจึงต้องลุกไปขอยาแก้ปวดจากแม่ จากนั้นก็พยายามกลับมานอนเพื่อพักผ่อนเอกบอกว่ากำลังจะเคลิ้มหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อมีชายคนหนึ่งใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวมานั่นอยู่ข้างๆเอกมือข้างหนึ่งมาจับที่ข้อมือของเอกแล้วก็พยายามจะดึงให้ลุกขึ้นแต่เอกก็พยายามต่อสู้ขัดขืนสะบัดจังรุนแรงเพื่อให้รอดพ้นจากเนื้อมืออันเย็นเยือกเอกพยายามร้องตะโกนสุดเสียงแต่กลับไม่มีเสียงดังออกมาผ่านลาคอเลย ทำได้แค่สะบัดดิ้น เ, เล่าๆจนชายนิร น, นามแปลกประหลาดคนนั้นปล่อยมือออกจากข้อมือของเอกเพราะคงเห็นว่ายังไงเอกก็ไม่ยอมไปกับเขาแน่ราหังนั้นจนึงค่อยๆรู้ขึ้นและเดินห่างไปจนกระทั่งเลือนหายวับไปกับความมืดปล่อยให้เอกต้องนอนเหนื่อยหอบหมดแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเอกยืนยันได้เต็มปากแล้วว่าไม่ได้ฝันไปอย่างเด็ดขาดแต่เรื่องแบบนี้หากใครไม่เจอเข้ากับตัวเองก็ย่อมไม่มีวันเชื่อโดยเด็ดขาด ดังนั้นเมื่อคิดได้อย่างนี้จึงไม่ยอมบอกใครไม่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ใครฟังเพราะถ้าขืนเล่าไปพวกเขาก็หาว่าบ้าหรือไม่ก็ฝันไปเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามด้วยความรู้สึกรักและเป็นห่วงน้องสาวที่ชื่อดาวเอกก็ได้แต่เตือนว่าถ้าหากฝันเห็นชายแปลกหน้าหรือว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อในตอนกลางคืนห้ามตอบหรือขานรับอย่างเด็ดขาดนะเรื่องอย่างนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบลู่ส่วนแม่ ถึงแม้จะไม่ได้เชื่ออะไรเอกมากนักแต่เมื่อเอกเตือนน้องสาวอย่างนี้แม่ก็เห็นด้วยเพ่อโบราณเขาก็สั่งสอนและก็ตักเตือนกันมาเกี่ยวกับเรื่องราวของเสียงประหลาดในยามวิการหากใครได้ยินก็ห้ามตอบหรือขานรับอย่างเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าอาจทําให้โชคร้ายและจะมีอันเป็นไปเรื่องราวของเอกไม่ ไ, มได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะว่าราวประมาณหนึ่งเดือนต่อมาหลังจากที่เอก ได้ประจ o อยู่กับเรื่องราวแปลกประหลาดอันชนคนหัวลุกเกี่ยวกับชายคนนั้นก็ได้เกิดเรื่องทํานองเดียวกันขึ้นอีกและข่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเอกแต่เกิดขึ้นกับแม่ของเอกโดยตรงจนแม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เอกเคยเล่าให้ฟังทั้งหมดและดูเหมือนว่าแม่จะหวาดกลัวมากโดยแม่เล่าให้ฟังว่ากลางดึกคืนหนึ่งแม่กําลังนอนหลับอยู่แกก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคนมาเรียกชื่อของน้องสาวเอกให้ได้ยินอีก คราวแรกแกไม่แน่ใจนึกว่าหูฝาดแต่เมื่อเงี้ยวหูฟังแกก็ได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนเต็มสองหูเป็นเสียงเรียกที่แหบหยแต่ฟังดูเยือกเย็นจนจับขั้วหัวใจเสียงนั้นเปล่งออกมาให้ได้ยินแต่คำว่าดาวดาวซึ่งเป็นชื่อเล่นของน้องสาวของเอกนั่นเองจากคนที่ไม่เคยกลัวผีมาก่อนคราวนี้แม่ถึงกับนอนคุ้มปงพร้อมกับสวดมนต์ท่องคาถาเสียงสัน่น ผิดถูกมั่วกันไปหมดแม่บอกว่าแกได้ยินเสียงนั้นชัดมากและน่ากลัวและกลัวเหลือเกินว่าน้องสาวก็จะตื่น ม, มาได้ยินเสียงนั้นรุ่งเช้าแม่จึงมาปรึกษาทุกคนในบ้านและพวกเรารวมทั้งพ่อก็ลงความเห็นว่าเราน่าจะไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดทุกคนเป็นห่วงน้องสาวที่ชื่อดาวและคิดว่าดาวอาจจะมีเคราะหจึงนำพาไปทําบุญสะละเคราะห์ให้หลวงพ่อทนุดมมนเพื่อให้เป็นสิริมงคล คราวนี้ทุกคนเชื่อแล้วว่าเสียงเรียกในยามวิกาลที่เอกได้ยินก่อนนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่าเอกพร่ำเพรอไปเองสรุปเช้าวันนั้นทุกคนในครอบครัวของเอกจึงพาการเดินทางไปที่วัดหาหลวงพ่ออย่างที่ตั้งใจไว้เมื่อไปถึงที่วัดก็บังเอิญไปพบกับป้าไผ่ซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันบ้านของป้าไผ่นั้นอยู่ลึกเข้าไปในสวนห่างจากบ้านของเอกมากพอสมควรแต่เราก็รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี ใบหน้าของป้าไพ่เต็มไปด้วยความเศร้าสลดตาบวมเปล่งเหมือนกับผ่านการร้องไห้อย่างหนักมาเมื่อแม่ของเอกทักแกแกก็ร้องไห้ฟูมฟายขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีคุยจนลูกชายของแกซึ่งมีอายุเป็นรุ่นพี่ของเอกต้องรีบกอดประคองผู้เป็นแม่ไว้กลัวแม่จะเป็นลมลม้มฟุบไปเสียตรงนั้นป้าไพ่เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ครอบครัวของเอกฟังด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือปนเสียงสะอึกสะอื้นดั่มให้ และสิ่งที่ครอบครัวของเอกได้ยินนั้นมันทำให้เอกและทุกคนในครอบครัวถึงกับขนลุกสู้หน้าซีดและมือสั่นไปด้วยโดยอัตโนมัติแกบอกว่าไอ้ดาวมันเสียแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันถึงไม่ผูกคอตาที่ต้นมะม่วงหลังบ้านฉันตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เห็นศพมันห้อยอยู่ไม่รู้ด้วยซ้าว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนไม่น่าคิดสั้นเลยลูกแม่โถ่เอ้ยระหว่างเล่ปาป้าไแกก็ร้องไห้อย่างหนัก หลังจากบอกข่าวการตายของพี่ดาวซึ่งเป็นลูกคุณนิสสองของแกให้พวกเราฟังแล้วโอ้ลูกสาวของป้าไพ่ก็ชื่อดาวเช่นเดียวกับน้องสาวของเอกไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่ทําไมแกต้องผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านเพราะพี่ดาวไม่น่าจะเป็นคนมีปัญหาส่วนตัวอะไรถึงต้องทําอย่างนั้นแต่สําหรับเอกและคนในครอบครัวแล้วพวกเขาเชื่อเหลือเกินว่าต้องเป็นเพราะเสียงของใครบางคนที่มาร้องเรียกชื่อดาวดาวในยาวิกาล ซึ่งเอกและแม่ได้ยินชัดเจนเต็ม2 ห, หูหูอาจเป็นไปได้ว่าพี่ดาวคงจะขานรับเสียงเรียกนั้นและมันจึงทำให้พี่ดาวต้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเสียงเรียกอันโหยแหบอันแหบหวยนั้นจะเป็นใครก็ตามบัดนี้เขาก็สามารถพรากพี่ดาวไปจากครอบครัวของเธอแล้วและถึงแม้ว่าเธอคนนั้นจะเป็นพี่ดาวไม่ใช่น้องดาวของเอกก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ มันก็ทำให้พวกเขาต้องเสียใจและขวัญหายได้อย่างมากมายเหลือเกินเรื่องเล่าความลี้ลับต่างๆที่ผมนำมาเล่านี้เป็นเรื่องของคุณเอกนะครับจริงไม่จริงแล้วแต่วิจารณญาณนะครับวันนี้เขาจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ